พระกุลเจ้าท่านทําให้ข้าพเจ้าเข้าใจปัญหาดีแล้วข้าพเจ้าขอยอมรับตามที่ท่านกล่าวว่าการเรียนและการศึกษาก็ไม่ได้ขัดกับพระพุทธพจน์ที่พระองค์ตรัสว่าภิกษุนั้นควรยินดีในพระนิพพานมีนิพพานเป็นที่มายินดีเพราะฉะนั้นการเรียนปริยัติธรรมเป็นต้นก็เรียกว่าเป็นการยินดีในพระนิพพานเพราะว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าสอนเพื่อให้บรรลุมรรคผลนิพพานอยู่แล้วเนี่ยนะแกวัส มรรคผลนิพพานที่เรียกว่าโล ก, กุตระประยะิยติธรรมก็คือคําสอนที่ชี้ให้รู้จักโล ก, กุตระชี้ให้เห็นโล ก, กุตระถ้าหากว่าไม่เข้าใจตั้งแต่แรกแล้วจะไปปฏิบัติว่าอย่างไรอา้าววานยังพูดขำๆเล่นๆ น, นะบอกว่าเอาเนี่ยเขาต้องการจะ บ, บรรลุมรรคผลนิพพานเขาไม่ยอมเรียนอย่างนั้นแหละเขาบอกว่าเหมือนกับไปหาญาติอยู่กรุงเทพบอกว่าญาติชื่ออะไรบอกไม่รู้เขาอยู่ที่ไหนไม่รู้เคยเห็นไหมไม่เคย แต่ครั่วเขาอยู่กรุงเทพก็แล้วกันเขจะไปหาเนี่ยคิดว่าจะไปเจอมไหมเอ่ประชากรร่วมสิบล้านบริเวณนั้นน่ะนะสิบล้านเนี่ยไปหาละหาญาติอยู่คนเดียวเนี่ยไม่เคยเห็นด้วยไม่เคยรู้จักชื่อด้วยชื่อนามสกุลอะไรก็ไม่รู้จักหน้าตาอายุเท่าไร่ไม่รู้จักเลยเอาไงบอกนิพพานน่ะหนักกว่านั้นเยอะเพราะนี่มันคนใช่ไหมยังพอแบบสืบไปสืบมาอาจจะพอจะเห็นกันได้นี่นิพพานเป็นอสังคตธรรมเป็นยังไงเอานิพพานนิพพานอยู่ที่ไหน มันเป็นยังไงนิพานบอกไม่รู้แต่ว่าต้องการนิพานมันไม่ขอเรียนอะไรทั้งนั้นจะนิพานอย่างเดียวไม่รู้ว่านิพานคืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันอันเอาไปเอามาเขาก็พ้าไปเรื่อยนึกว่าใช่เนี่ยนะก็เลยที่ในพระสูตรสูตรหนึ่งเขาเรียกว่าตาบอดเนี่ยนะตาบอดถูกหลอกเข า, ากันตาบอดถูกหลอกเขาบอกว่าไปไหนตาบอดบอกมาหาภาคเขาเขาวสะอาดเนียนบริสุทธิ์เนี่ยนะ ก็ไปเจอไอ้คนคนหนึ่งก็เอาผ้าดําปี๊หมากเราบอกนี่ตาบอดดูนี่ผ้าขาวผ้าชั้นดีแกเอาไปดูแลรักษาไว้เลยเนี่ยนะในที่สุดก็ตาบอดนี่ก็มีคนรักษาใช่ไหมรักษาจนตาหายพอเห็นผ้านั้นจะชื่นชมป่าผ้านั้นไหมเพราะคนเขาบอกว่าเนี่ยผ้าขาวอะไรมาเนี่นะบอกโอ้ยแทบจะฆ่าไอ้คนที่เบาะลองเนี่ยทิ้งเลยแหละฉันใด เขาบอกว่าจิตของเราทั้งหลายก็เหมือนกันมันหลอกมามากแล้วเนี่ยนะไม่รู้หลอกหลอกสรารพัดหลอกเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเราจะเข้าใจคําว่านิพานง่ายๆเพราะตกตกลงนิพานคืออะไรนะนิพานเนี่ยนิป ป, ปันจะทำคือคิดดูว่าสิ่งเนี้พิเศษว่าถ้ารู้สิ่งนี้แล้วเราเลิกเลิกเลิกอยากว่า ง, งั้นเถอะเลิกมีฉันทราค้าในรูปเสียงกลิ่นรสและโภชภัณฑ์ทั้งหลายถ้าเห็นอาหาแหมเราอยากได้อะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นมาเนี่ยนะ ถ้าเรารู้นิพพานเราคงเลิกต้องการสิ่งนี้แน่แท้แม้แต่คิดอย่างนี้คือเริ่มะแยกแล้วว่าสิ่งนี้เป็นปยรูปสาตารูปสิ่งนี้นะ่าปรารถนาแท้ถ้าเราเห็นนิพพานเราคงเลิกยินดีในสิ่งนี้แน่นอนแม้สิ่งเนี้ยเป็นที่ตั้งแห่งมานะลำพองมากถ้ารู้นิพพานคงไม่มานะแบบนี้หรอกเป็นต้นเนยนะโอ้เป็นมิจฉาทิฏฐิคิดวิบัติเข้าใจผิดพลาดมากมายถ้าเห็นนิพพานคงกําจัดไอทิฐิอันนี้ได้เป็น เน่แทเพราะนิพพานเนี่ยเป็นธรรมที่กําจัดตัณหามานะและทิฏฐิแล้วนิพพานคืออะไรก็ต้องมาค่อยๆคิดค่อยๆใค ร, คร่ครวญแล้วพระพุทธเจ้า พ, พยายามจะบอกว่าอย่างไรนิพพานเป็นยังไงต้องจับให้มันชัดเจนไม่อย่างนั้นก็ไปได้อะไรมาก็ไม่รู้เนี่ยนะก็เลยกลายเป็นว่าไปได้อะไรก็ไม่ทราบก็นึกว่าเป็นพระนิพพานเนี่ยถ้าท่องเที่ยวไปในยุทธจักรศาสนาในยุคนี้โอ้โหทุกคนเนี่ยอมนิพพานไว้ในใจกันเกือบทั้งไม่ใช่น้อยเลยแหละ เขาเขาเขามีดีอ่ะนะเขาบางคนเนี่ยเขาสำคัญว่าเขาบรรลุแล้วด้วยซ้ำไปแต่ว่าโอ้มาณแรงมากเลยเนี่ยนะโลภะก็รุนแรงมานณก็รุนแรงไอ้เครื่องเนื่นช้าทั้งหลายนี่มันรุนแรงจริงๆเลยนะทั้งตัณหาทั้งมาณทิฏฐิเนี่ยรุนแรงมหาศาลเลยแล้วเขาบอกว่าเขาได้นิฐานซึ่งนิพพานเป็นธรรมที่ดับ ตันหามาณทิฏฐิซึ่งมันคนละอย่างกับที่ที่เป็นคำสอนนั้การศึกษานั้นจึงเป็นตัวที่สำคัญเลยนะครับสุตตมา ย, ายานต้องเรียนให้เข้าใจเลยว่า 16. หัวข้อเนี่ยนะอะไรควรรู้ยิ่งอะไรควรกำหนดรู้อะไรควรละอะไรควรทำให้แจ้งอะไรควรเจริญเนี่ยนะถ้าจะเราจะรักรักษาศีลประพฤติปฏิบัติธรรมอะไรเป็นศีลของเรามัน เสื่อมยังไงศีลของเรามันดำรงอยู่ยังไงศีลของเรามันพิเศษขึ้นยังไงศีลแบบไหนใกล้ต่อมรรคผลนิพพานเนี่ยนะทั้ง ส, สมาธิทั้งปัญญาก็เหมือนกันปัญญาแบบไหนใกล้ต่อความเสื่อมปัญญาแบบไหนดำรงอยู่ปัญญาอย่างไรเจริญเติบโตขึ้นปัญญาอย่างไรใกล้ต่อการ <S <S บรรลุมรรคผลนิพพานทุกขาริยศาสตร์เนี่ยมันไม่เที่ยงยังไงมันเป็นทุกยังไงมันเป็นอนัตตายังไง ทุกเป็นยังไงสมุทัยเป็นยังไงนิโรธเป็นยังไงมรรคเป็นอย่างไ ร, รไเ น, ไรนี่น ย, ยต้องเรียนจนเข้าใจอย่างพอวังอันเถอะเพราะอะไรเพราะมรรคแปดเนี่ยข้อปฏิบัติคืออะไรเริ่มต้นด้วยอะไรสมรัมมาทิฏฐิแปลว่าอะไรก็แปลว่าความเข้าใจที่ถูกต้องคือตัวปฏิบัติความเห็นที่ถูกต้องความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วทํายังไงเราจะเข้าใจอย่างถูกต้องนะเอาคิดเอง มีข้อมูลพอไหมล่ะโยมเขาเล่าให้ฟังบอกแม่เขาอยากเจริญพุทธานุสติเหมือนกันแต่มันไม่มีข้อมูลน่ะนะก็เลยขอกําหนดลมหายใจไปก่อนกันแล้วกันเหมัอนกันก็อยากเจริญพุทธานุสติแต่มันไม่มีข้อมูลเหมือนกันไม่รู้จะเจริญว่ายังไงเจริญธรรมานุสติก็เหมือนกันถ้าไม่มีข้อมูลมันสาวกทั้งหลายเนี่ยที่มีโยนิโสมนัสิการได้เพราะมีคําสอนแต่พระโพธิสัตว์ทั้งหลายนี้ชาติสุดท้ายอันนี้ไม่จําเป็น แต่ถึงอย่างนั้นท่านรู้วิธีว่าันท่านแยกเป็นอันนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิอันนี้เป็นสัมมาทิฏฐิอันนี้เป็นมิจฉาสังกปะอันนี้เป็นมิจฉาสังกปรละมิจฉาสังกปะได้อย่างไรเจริญสัมมาสังกปะให้เติบโตได้อย่างไรท่านคิดเองได้หมดเลยอย่างพระโพ ธ, ธิสัตว์ของเราเนี่ยตอนชาติสุดท้ายที่จะได้เป็น พระพุทธเจ้าท่านวิจัยเลือกเฟ้นจนเห็นวันนี้สติประธานนี้สัมมัตประธานนี้อิทธิบาทนี้อินทรีย์นี้พระนี้โพชฌงนี้องค์มรคนี้ทุกนี้สมุทัยนี้โรดมรคนี้กุศลนี้อกุศลนี้อัพยากตะท่านจําเนกแยกแยะโดยที่ไม่ต้องมีใครมาบอกมาสอนไอของเราเนี่ยขณะเรียนมาอย่างนั้นความรู้มันอยู่ที่ไหนบอกอยู่ในตำราเหมือนกันนะอยู่ในตำราก็เห็นเห็นเห็นเนี่ยนะก็บอกว่าเห็นคนแก่ไหมบอกเห็นเห็นอริยสัจไหม เราทำมันน่าจะเห็นนะทั้งๆ ท, ที่ก็ฟังมาใช่ไหมนี่ทุกข์กันเนี่ยเขาไม่เห็นนะเอาบอกถึงได้วันนี้ทุกข์ไอ้ทุกข์มันเป็นยังไงไม่รู้อีกนั่นแหละมันก็เลยมันก็ยาวไปหมดมั้นถ้าความรู้ความเข้าใจไม่เพียงพอเนี่ยบรรลุอะไรก็ยังไม่รู้เลยจะกล่าวไปยายถึงการบรรลุแต่ทีนี้การเรียนก็ก็เรียนให้เข้าใจว่าเราเรียนคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือเราเรียนคําของใครอยู่กันแน่ เราเรียนเพราะอยากรู้ว่าพระพุทธเจ้าบอกอะไรเราหรือว่าเราอยากเรียนเพื่ออยากรู้อะไรนะเราต้องการอะไรเพราะไม่งั้นก็หลงประเด็นนะนะยิ่งตำราสายศาสนาด้วยเนี่ยนะสูงท่วมหัวสองต่อนะถ้าเอามาเรียงกันนะสูงท่วมหัวสองคนต่อกันนะนะดีไมด่ดีอาจจะเกินอีกอ่ะว่าวันก่อนได้ยินนะอาจารย์นั่นท่านหนึ่งนบอกว่าตำราวยากรเนี่ยนะที่แปลเป็นภาษาไทยสักห้าสิบเล่ม ห้สิบสองเล่มถ้ามาตั้งเรียงแล้วก็ยืนก็เกือบท่วมหัวแล้วละ่ะอย่างนะั้นเล่มแต่ละเล่มนี่มันเล่มเล็กสัที่ไหนอนะหน้าก็ะน า, น า, นาบเริ่มอะไรแบนั้นนะอันนั้นแหละแล้วก็แบบแม้มันไม่ค่อยเข้าใจชัดต้องเอาฉบับอื่นๆมาเปรียบด้วยอันนี้เยอะเลยนะแล้วพระไตรปิฎกอัจฉริยะดีกาเรามาตั้งเรียงสูงท่วมหัวแ น, น่นอนนี่พูดอย่างงี้สะท้อมหมดสิท่านแบบนั้นอ่ะไม่เคยเรียนมากเรียนน้อยเรียนอะไรสําคัญที่ว่าเราเรียนแล้วเราจะเข้าใจคําสอนพระพุทธเจ้าได้อย่างไร เพราะไม่งั้นเราก็กลายเป็นหลงประเด็นไอ้ที่มันเยอะจริ ง, รงๆอะ่ะเยอะเพราะอะไรรู้ไหมแหมฉันจะเขียนหนังสื อ, อยังไงแบบฟังแล้วคนต้องเพราะหยาดเยิ้มหยดย้ยดยอยไวยากรณ์เนี่ยต้องเขียนยังไงจึงจะหยาดเยิ้มหยดย้อยคนฟังแล้วแหมเพราะเหลือเกินคนนี้เป็นกวีเป็นมหากวีเน่ยที่ไหนได้อยากกะฝากชื่อเสียงเอาไว้เลยเรื่องมันเลยมากนะแต่ถ้าเรียนเพื่อจะเข้าใจคําสอนจริงๆแล้วไม่ไ ม, ไม่ไม่นนหนักเท่า ไ, รไหรมะเพราะเพียงแต่ว่าอยากรู้ว่าพระพุทธเจ้าบอกอะไรเรา เพราะอะไรเพราะธรรมะพระพุทธเจ้าพยายามจะบอกให้ง่ายที่สุดอยู่แล้วเนะพยายามต้องการทํายังไงให้มันง่ายที่สุดเท่าที่จะง่ายได้ทีนี้ไอ้ที่มันยากเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเราไม่ค่อยคิดตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเนีย่ยนะถ้าเราค่อยๆ ค, คิดตามคําของท่านเราจะเห็นเลยแต่ถ้าไม่คิดตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยโอ้นี่มันยากเพรนเนีย่ยนะจะเล่าให้ฟังเรื่องไปคิดเรื่องไอ้เพรนจากปานาติบาสนิดหนึ่งยังติดใจมากเลยเรื่องนี้ แล้วก็ว่าคือคือพ ย, ยัญชนะเนี่ยนะบางทีก็มันก็ลงตัวนะเปิดในหนังสือเล่มสวดมนต์คำสมาทานอุโบสถเนี่ยนะสักหน้ายี่สิบหน้ายี่สองเปิดไปหน้ายี่สองเห็นไหมหน้ายี่สองคำสมาทานอุโบสถใช่ไหมมีอยู่คําว่าละปานาติบา แล้วก็เว้นขาดใช่ปาณาติบาล <c oughs> อันเดียวกันงดเว้นหรือเว้นขาด น, นะา น, น่นะอเนปปะหานะเว้นขาดตัวนี้เวรมนีเนี่ยนะ ปหานะเวรมณีเนี่ยนะก็คือบอกว่าอย่างคนที่สมาทานศีลทั่วไปบอกปาณาติปาตาเวรมณีใชทีนี้ไอปาณาตัวบาตปานาติบาตตัวนี้คืออะไร อ, อติปาตะแปลว่าทําให้ตกไปปานะแปลว่าชีวิตเนี่ยนะทำชีวิตให้ตกไปเราทําชีวิตให้ตกไปเรียกว่าปานาติบาตถ้าแปลมันก็บอละ การทำชีวิตให้ตกไปเรียกว่าการละปาณาติบาตนะทีนี้ตัวละตัวเนี้ยคือศีลแต่เรียกว่าเป็นอะไรตะทางค่ประหารตัวตัวอ่การทำชีวิตให้ตกไปเนียนะอันนี้เป็นชื่อของเจตนา การทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงเป็นชื่อของเจตนาเจตนาตัวนี้มีอะไรเป็นอารมณ์ น, นมีชีวิตตินสีเป็นอารมณมนะ์เจตนาตัวนี้มีชีวิตเป็นอารมณ์การละปาณาติบาตเนี่ยตัวละนะตัวสีเนี่ยตัวละก็คือตัวสีเนี่ยเป็นตัวละ ศีนี่ละอะไรก็ละปานาติบาตศีนละปานาติบามีอะไรเป็นอารมณ์มีชีวิตเป็นอารมณ์ก็แบ่งอย่างเงี้ยแบ่งอย่างนี้ว่าศีนตัวเนี้ยละตัวนี้ละโดยอะไรละโดยแต่ทางฆ่าประหารแปลปัจจัยว่าตั้งใจเพื่อจะกาจัดเจตนาในการฆ่าเวลาเราสมาทานศีนนะ สมาทานว่าขอสมาทานศีลเนี่ยเพื่อกำจัดเจตนาที่จะฆ่าอันนั้นคุณผู้ศีลเวลาสมาทานศีลเนี่ยตั้งใจว่าปานาติปาตาข้าพเจ้าขอสมาทานศีข้าบทเวนจากปานาติบาคิดอะไรอยู่เขาบอกว่าตำแหน่งที่มองเนี่ยหนึ่งคือตัวศีลสองเจตนาฆ่าสามชีวิตอ่านั้น มันจะแบ่งอย่างเงี้ยหนึงพูดภาษาปัจจัยหน่อยอันนี้คือว่าโดยอารมณ์อันนี้ก็อารมณ์อันเนี้ย อ, อุ ป, ปนิสยัยเรียกว่าอุ ป, ปนิสยัย ศีลตัวนี้อุปนิสัยจริงๆกับขณะที่สมาทานศีลเนี่ยต้องการอะไรกุศลตัวนี้จงเป็นไปเพื่อกำจัดเจตนาในการฆ่าสมาทานโดยที่บอกว่าไม่มีชีวิตใดเนี่ยนะอันนี้เรียกว่ามันก็แบ่งเนี่ยฝ่ายนี้มีศีลใช่ั้ยอันนี้เป็นทุศีลเมื่อมีชีวิตเป็นอารมณ์ทุศีลจะฆ่าสิ่งมีชีวิต แต่ว่าถ้ามีศีลจะไม่ฆ่าสิ่งที่มีชีวิตแต่ตอนสมาทานศีลเนี่ยสมาทานเพื่อกําจัดเจตนาอันนี้ไม่ใช่สมาตรงๆนะในในคําเนี่ยไม่มีบอกว่าตามรักษาชีวิตสัตว์ไม่ได้พูดคํานี้เลยสมาทานศีลไม่ได้แปลว่าตามรักษาชีวิตสัตว์แต่แปลว่าทําลายเจตนาที่จะฆ่าซะเนีย่ยนะ ตั้งเป้าหมายเพื่อจะทำลายเจตนาที่จะฆ่าสัตว์ทีนี้อันนี้อุปนิสัยจริงๆเนี่ยมุ่งต้องการจากกำจัดการฆ่าแต่ตั้งอัธยาศัยเพื่อ น, นิพานอัธยาศัยหรือเป้าหมายเนี่ยนะเร อ, อ, อะไรน ะ, ะว่ามุ่งหมายอะนะ ความมุ่งหมายจริงๆ่ะต้องการบรรลุทนิพานศีลอันนี้เช่นปานาติบาตตัวนี้แหละจึงเป็นอะไรสัมมากัมมันตะเนนะเป็นสัมมากัมมันตะมันขณะที่ศีลเกิดขึ้นเนี่ยนะขณะที่ตัวตัวศีลที่ที่สมาทานถูกนะั้นหนึ่งอันดับแรกตั้งใจทำลายเจตนาในการฆ่า โดยโอ้อมตามรักษาชีวิตสัตว์นนะอย่างหนึ่งนะทำลายเจตนาที่จะฆ่าอันที่สองต้องการเหมือนกับว่ารักษาชีวิตสัตว์อย่างที่สามมีเป้าหมายว่าตั้งอัทยาศาัยเพื่อมันล้มมรรคผลผนิพพานแต่ต้องรักษากุศลตัวนี้ต่อไปเนี่ยขณะที่สมาทานศีนี่สมท า, านเอาคุณธรรมเหล่านี้ สมมาทานเอาคุณธรรมเหล่านี้ซึ่งหนึ่งหนึ่งในจำนวนสมากมันตะสมมากมันตะมีสามไหมปานาติปาตาเวรมณีอธินนาถานาเวรมณีกาเมสุมิาจฉาราเวรมณีมันก็ทุกคำของศีลเนี่ยสมมาทานเพื่อทำลายเจตนาคือความผู้ศีลเพรา ะ, ะเจตนาศีลเนี่ยนะเจตนาศีลก็ตาม วีรตีศีลก็ตาม น, นะมีเป้าหมายกำจัดความทุศีลใช่ศีลพวกนี้กำจัดความทุศีลไอตัวทุศีลคืออะไรก็คือเจตนาพัณปานาติปาตาเวรมณีปแปลว่าขอเจริญกุศลทั้งวีรตีและเจตนาเพื่อทําลายเจตนาแห่งความทุศีล ถ้าาไลเป็นข้อๆถ้ามาไลเป็นข้อๆนะสมมติว่าเศนข้อที่หนึ่งเนี่ยปานาติปาตาเวรมณีตัวสุดท้ายนะคือตัวเวรมณีเป็นตัวนเศนไงเวรมณีเวรมณีเนี่ยทำลายอะไรทำลายปานาติบาตปานาติบาตตัวนี้เท่ากับเจตนานนนสมทานกุศลศีลอันนี้เพื่อกําจัด เจตนาความทุศีนทีนี้ถ้ามองบอกแบบแบบธรรมดาทั่วๆไปกระแสความคิดของเรามันจะไหลสืบเนื่องมาเรื่อยๆใช่ไหมไกระแสความคิดของเราจะ лай, ไหลไหลไหลมาสืบเนื่องเรื่อยๆเ ๆ, ๆตามทวารต่างๆนะจากทวารต่าง ๆ, ๆทั้งทวาร6ทั้งอารมณ์ภายในภายนอกอะไร ก็จะเป็นกระแสความคิดเนี่ยสืบเนื่องมาเรื่อยๆทีนี้นไอ้ความทุศี น, นี่มันงอกได้ตลอดชวนะของเราพร้อมที่จะไปทุศีลการสมาทานศีลก็เท่ากับว่ า, าสมาทานกุศลธรรมให้เกิดเช่นอะขณะเนี่ยเป็นความมีสมาทานศีนไว้แล้วมันมีเหตุการณ์ที่จะทําให้ทุศีนอัธยาศัยตัวนี้จะมาตัด จะมาตัดเท่ากับว่าสมาทานว่าต่อไปเจตนาแห่งการฆ่าจะไม่มีตั้งไว้เลยว่าจะด้วยเหตุผลใดก็จะไม่ทำปาณาติบาตเช่นจะเพราะเหตุแห่งทรัพย์ก็ตามเพราะเหตุแห่งทรัพย์ก็ตามก็จะไม่ฆ่าเพราะเหตุแห่งอวัยวะก็ตามก็จะไม่ฆ่าเพราะเหตุแห่งยศก็ตามก็จะไม่ฆ่าเพราะเหตุแห่งญาตทั้งหลายก็จะไม่ฆ่าเพราะเหตุแห่ง ชีวิตก็ตามเนี่ยนะก็จะไม่ฆ่าเพราะตั้งกุศลเจตนานี้จะไม่มีเหตุผลใดที่จะต้องทำปานาติบาตเพราะสมาทานตั้งใจที่จะกำจัดตัวเจตนาตัวนี้คือสัตว์ตายไม่ตายเนี่ยไม่ใช่เพราะเรามีศีลหรอกสัตว์มันก็ไปตามอายุ ข, ขัยของมันใช่ไหมแต่การสมาทานศารศีลก็คือการรักษาเจตนาแห่งว่าเราต้องไม่ฆ่าจะด้วยเหตุผลใดเจตนาเราต้องไม่ ถ้าศีลจะบริสุทธิ์ก็มีองค์ประกอบอีกหนึ่งไม่ฆ่าเองสองไม่ใช้ให้คนอื่นฆ่าสามไม่สันเสริญการฆ่าสี่เมื่อเขาฆ่าแล้วต้องไม่ยินดีอันเนี้ยศีลข้อเ น, นี้มันจึงจะผุดพองรักษากุศลเจตนาอันเนี้ยดีเยี่ยมหนึ่งในจำนวนที่จะทำให้บรรลุพระนิพพานเนี่ยนะมักมีแปดใช่ไหมมักมีแปดหนึ่งสัมมาทิฏฐิ ส ม, มาทิฐเนี่ยก็คือความรู้ในอริยสัจ4 2. สองสัมมาสังกัปปะก็เป็นกุศลสังกัปปะ3 4สี่สัมมาวาจาก็มีเจตนาสกุศลธรรม4แล้วก็สัมมากรรมมันตะเนี่ยนะก็มีกุศลสามสัมมาอาชีวะเนี่ยนะก็คือเวอะรเวนจากเจตนาเจในที่1นึหนึ่งก็คือ ปารบอาชีพที่บริสุทธิ์เนี่ยนะปารบอาชีพเพราะไม่ประกอบอาชีพที่ล่วง่วงอกุศลกรรมบทแล้วก็ต่อไปสัมมา ว, วายามะสั ม, มประธานสี่สัมมาสติสติประธานสี่สัมมาส ม, มาธิเนี่ยนะส ม, มาธิเนี่ยนะก็คือฌานที่หนึ่งถึงที่4อันใดหนึ่งก็ได้อยู่ในระดับอันใดอันหนึ่งก็ได้ทีนี้ก็บวกตัวเลขเข้ามา ทุกข้อเนี่ยถ้าเจริญทูงเนี่ยนะอันนี้เป็นอุบายอุบายข้อปฏิบัตินิพพานเนี่ยนะนิพพานเนี่ยเป็นธรรมที่ที่ดับดับสังคตะทั้งหมดโดยประการทั้งปวงที่นี้การสมาทานศีลเนี่ยนะเราจะกําจัดเจตนาแห่งการขาาเด็ดขาดเมื่อไหร่เมื่อไหร่คุณจนทนาเมื่อไหร่ดี เมื่อมีนิพพานเป็นอารมณ์ s. ถ้ามีนิพพานเป็นอารมณ์อยากคิดนะว่าเราจะไม่คิดฆ่าเขาอยากคิดนะว่าเราจะไม่ฆ่าเขาอีกถ้ายังไม่เห็นน like ิพพานเพราะนิพพานเป็นธรรมที่ดับเจตนาในการทําปานติบาตนิพพานเป็นธรรมที่ดับเจตนาในการทํามัทินนาทานในการทําการเมสุมิชฌาจารในการมุสาว่าจะคิดนะว่าเราจะไม่มุสาถ้ายังไม่เห็นนิพพานอยากคิดว่าจะไม่มุสาบางทีก็เพราะเหตุแห่งการหัวเราะเล่นเป็นต้นนีนะ หรือบางทีเราอาจจะไม่มูสารระดับเล็กๆก็ได้อาจจะแบบหูเรื่องใหญ่เรื่องโตเป็นต้นเนี่ยก็แล้วแต่พราันจะต้องพระนิพพานจึงเป็นธรรมที่ดับอกุศลธรรมเพราะันการสมาทานศีลก็คือเมื่อกี้บอกว่ากุศลธรรมทุกอันเนี่ยนะตัวเลขทุกข้อนี่บวกเข้ามาไดทั้งหมดได้เท่าไหร่หทั้งหมดนี่เท่าไหร่นะ ทั้งหมดอ้าสรุปอย่อๆก็แล้วกันนะตีแคสามสิบสาเนี่ยต้องเจริญทั้งสาสิบสามเนี่ยนะจึงจะแทงตลอดอนะแทงตลอดท่านี่ผ่านได้เนี่ยนะต้องมีคุณธรรมเนี่ยบวกเข้าไป อ, อันนี้ในที่หนึ่งนะในที่หนึ่งถ้าในที่สองก็คือโพธิปัจจะธรรมสามสิบเจ็ดทุกข้อเนี่ยจึงจะ ต้องรวมผนึกกาลังเต็มที่นะจึงจะกําจัดเจตนาในปาณาติบาตกําจัดเจตนาในอาทินาทานการเมสุมิจฉาจาร์โมสาวะและเจตนาในการดื่มสุรากุศลธรรมต้องแรงจริงๆจึงจะกําจัดมิจฉาทิฏฐิออกไปได้ใช่ไหมจริงๆแล้วก็การประพฤติปฏิบัติธรรมก็คือการเจริญกุศลกรรมบดนั่นแหละก็คือการเจริญกุศลกรรมบดเนี่การเจริญกุศลกรรมบดเนี่ยกุศลกรรมบดมี ส0บข้ออากุศลกรรมบทก็มีส0บข้อเราจะละอากุศลกรรมบทได้เด็ดขาดจริงๆเนี่ยนะเมื่อ เ, เจริญกุศลจนจนเนี่ยพวกเนี่ยผนึกกันเต็มที่เมื่อคุณธรรมเหล่านี้รวมตัวกันะจึงจะ ก, กำจัดเจตนาอันน น, นะปานาติบาตอธินนาธานกาเมสุมิชาจา์มุสาวาตเนี่ย น, นะปิสุนอ่แล้วก็อะไรปิสมุสาวาตแล้วก็ มิจชาทิฐิแล้วตัวที่เหลืออีกก็คืออะไรปิสุนาวาจาพรุทธวาจาสัมผับตลาปะอภิชาพยาบาทเจริญคุณธรรมจนได้อนาคามีมรรคนี่แหละจึงจะ ก, กําจัดพุทวาจากับพยาบาทได้อรหธรรมจึงกําจัดอันนั้นนะปิสุนาวาจาสัมผับปลาปะแล้วก็กําจัดอ น, น, นอภิชาได้สําเร็จเนี่ยนะ มันก็คิดดูว่าต้องรวบรวมคุณธรรมเท่าไหร่นี่นะก็ต้องรวบรวมคุณธรรมเท่าไหร่เพราะฉั้นแต่ที่สําคัญที่สุดว่าเราต้องมองมองอวิธีการให้ออกทั่วในครั้งหนึ่งนะสมมุติวันนี้คือศีลศ <c oughs> ีลตัวนี้มีอะไรรู้อะไรเป็นอารมณ์รู้อะไรรู้ชีวิตมีชีวิตดินซีเป็นอารมณ์ขณะที่สมาทานศีลเนี่ยสมาทานเพื่อกําจัด <c oughs> กําจัดปานาติบา กำจัดเจตนาคือในปานาติบาตนี้รู้เลยว่าจะเลิกหรือจะดับปานาติบาตจริงๆได้ต่อเมื่อมีพระนิพพานเป็นอารมณ์ น, นี่นักุศลปารบชีวิต น, นะถ้าสมาทานแบบธรรมนาทั่วๆไปก็คือเนี่ยสมาทานกุศลศีลเพื่อกำจัดเจตนาในปานาติบาตและทุกกุศลอันนี้ตั้งเป้าหมายเพื่อบรรลุพระนิพพา น, านแต่ว่าเขาก็มีขั้นตอนเนี่ยเพื่ออะไรแต่ถ้าเป็นระดับ พูดทั่วๆไปก็คือว่าเจริญกุรศลศีลอันอนี้เพื่อสมถะเพื่อวิปัสสนาเพือพ่ออริยมรรคเพื่ออริยผลแล้วก็เพื่อนิพพานทุกเจตนาที่ที่เป็นศีลเนี่ยนะทุกเจตนาที่สมาทานศีลนนะ่ะตั้งอัธยาศัยไว้อย่างนี้เลยนะแต่คําสมาทานต้องการทําลายเจตนาในปานาติบาตพอล้วในเวลาเลิกแล้ว